ภาษาสมมติมันก็เป็นวจีสังขารเป็นวัจจีเป็นสังขารภาษาที่นิยมใช่กันรประทานอาหารเป็นภาษาทานอาหารเป็นภาษากลางของพวกพุงเทปเสเวยพระขยอาหารเป็นคําของพระบรมราชา คุณชันติเป็นคำของบาลีชั้นอาหารเป็นคำของพระอันเกิมเป็นภาษาของยวนเย่ปึ้งเป็นอาภาษาของจีนมันสมมติจริงๆในโลกอันนี้อพอรู้จักภาษากัน้วก็เอานะ ภาษาภักใต้ก็ว่ากินอาหารกินข้าวพอพอท่านแคบไปไนี่แล้วพอท่านจะด่วนไปไหนพอท่านมาต่อหรือพอท่านมาเมื่อไรเมื่อไหร่พอท่านมาจำซา เพ น, นี่บนว่าท่านมาจำพรรษามันสมมุติยิงในโลกอันนี้ไม่ควรถือมั่นพอเข้าใจกันก็อเอาละแต่บาบุญคุณโทษที่สร้างขึ้นแล้วไม่สมมติกับใครได้รับผลตามส่วนคนฆ่าของเหตุทำน้อยก็ได้รับน้อยทำมากก็ได้รับมากจะปฏิเสธให้ใครไม่ได้อันนั้น อาศัยลับเหตุผลลองทำเอ่อเหตุที่ลองทำผลก็ได้รับโดยลงลงรับเหมือนกันเหตุที่เจตนาทำผลก็ได้รับตามเจตนาในทางดีทางชั่วเขาเหมือนกันทางนี้ก็แบ่งออกเป็นสองดีดีในโลกุตระดีในโลกียะดีในโลกุตระนับแต่สุปัิปันโนขึ้นไป จนถึงยายะปฏิปันโนส่วนสามยีกีปฏิปนโนนั้นไม่ได้จัดว่าดีเสียแล้วไม่ได้จัดว่าชั่วเสียแล้วเพรพ้นจากเหตุจากผลไปในทางชั่วทีนี้ก็หมายถึงเปตตวิสัยอสุรกายนารก หรือมหาวิทยาลัยนรกหรือโลกคุณปัญจนรลกอกมาทางชั่วเป็นที่สุดแห่งความชั่วเป็นที่สุดแห่งความดีก็คือพระอนาคามีส่วนพระหรนันสร้างดีไปแล้วฝากชั่วไปแล้วพระดีก็สร้างขึ้นพอแล้วเพราะชั่วก็ละพอแล้วเหตุที่จะละความดีก็เหตุที่จะสร้างความดีก็ไม่มี เหตุที่จะละความชั่วเขามีมีพระละพอแล้วเพราะเว้นพอแล้วเหตุเช่นนั้นจึงว่าพระนิยะเจ้ออาอรหันต์อยู่นอกเหตุนอกผลไม่เป็นท่าแห่งเหตุเมื่อไม่เป็นท่าแห่งเหตุก็ไม่เป็นท่าแห่งตัณหาก็ไม่เป็นท่าแห่งอนันต ร, ประปัจจัยอนันต ร, ประปัจจัยอนันตระเหตุก็อันเดียวกัน อนันตรภผลก็อันเดียวกันต่ากว่านั้นลงมาเป็นอันันตราเหตุอันตรอันตรภผลอันันตราเหตุที่ไปในทางดีพราพระโสดาบันังกล่าวแล้วอันันตรภปัจจัยอันตรันตรภเหตุไปทางขั่วก็ต่ํากว่าพระโสดาบันลงมาซึ่งเป็นพวกโลกีทั้งโต้เป็นโลเกกิดเป็นโลกี จิตเป็นโลกีธรรมเป็นโลกุตระจิตเป็นโลกุตนธรรมโลกุตระจิตโลกุตระมรรคโลกุตระผลโลกียมรรคโลกียผลมีความหมายอันเดียวกันไปคนละทางพินลังใส่กัน ธรรมปฏิสัมพิทาพระแท้แตกฉานในธรรมธรรมานุสสาลีเชื่อในธรรมสัทธานุสสาลีเชื่อในธรรมธรรมานุสสาธีเชื่อตามเป็นจริงของธรรมไม่ได้เป็นกระต่ายตือตูม เราเชื่อตามปริยัติโดยทายเดียวเชื่อตามจินตามยปัญญาด้วยภาวนามยปัญญาด้วยเมื่อสุตตมยปัญญามีแล้วเป็นเหตุให้เกิดจินตามยปัญญาเป็นเหตุให้เกิดภาวนามยปัญญาสมดุลกันปัญญาทั้งสามตอนนี่เป็นเชื่อกสามเกลียวมีกําลังมาก กรรมฐานใดในโลกจะเสมอเหมือนปัจจุบันกรรมฐานไม่มีเลยปัจจุบันกรรมฐานกับปัจจุบันจิตกับปัจจุบันธรรมมีความหมายอันเดียวกันถ้าจับแน่นที่เจรนาแ น, น่ให้แยบคลายด้วยในปัจจุบั น, นจิตปัจจุบันธรรมจะไม่สงสัยในพระพุทธศาสนาใดๆทั้งปวงด้วย และจะไม่รูปคำด้วยและจะไม่สุ่มเดาด้วยถ้าหากว่าไม่ตั้งใจไม่ยินดีในปัจจุบันนจิตปัจจุบันในธรรมก็มักจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาอีกด้วยเมื่อกล่าวตู่พระพุทธศาสนาก็กล่าวตู่ตนเองด้วยเม ก, กล่าวตู่ท่านผู้อื่นด้วยก็ถูกความสงสัยดึงไฟด้วย ก็สร้างปัญหาอย่งความสงสัยเกิดขึ้นด้วยเมื่อเชื่อถือในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมเป็นคําสอนของพทุทธเจ้าทั้งหลายแล้วพิคิดนาอยู่ไม่ขาดสายติดต่ออยู่ในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งชิ้นตอนนั้นสมาธิตอนนั้นปัญญาตอนนั้นก็มารวมในี่ปจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมโดยไม่ได้สิงสาสงสยัย จะเป็นธรรมชั้นไหนก็าตามเป็นจิตชั้นไหนก็าตามก็ไม่ได้สงสัยหาในธรรมชั้นนั้นจิตชั้นนั้นอีกเหมือนกันผู้ที่สงสยัย ห, หาสมาธิหาศีลหาสมาธิหาปัญญาก็เพราะลืมอาจารย์เดิมเป็นว่าเชือกขาด ต้องปลิวไปเป็นไม้ลอยน้ําเป็นน้าวนเป็นเว่าวเชือกขาดถ้าเขาเห็นชัดในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมตอนในดๆแล้วศีลตอนนั้นสมาธิตอนนั้นวิปัสสนาตอนนั้นก็ไม่สงสัยศีลตั้งศีลดองในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นดองในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันเั้นนั้นแต่ในปัจจุบันต่อปัจจุบัน มีละเอียดละออ ก, กว่ากันอีกปัจจุบันที่เป็นโลกีปัจจุบันต่าที่หมดสุดปัจจุบันที่เป็นพระสวสดาบานปัจจุบันที่เป็นสักคาคามีปัจจุบันที่เป็นอนาคามีปัจจุบันที่พระอาหารหันต์มียิ่งย่อนกว่ากันอีกตลอดธึรกิจและธรรมะที่ตั้งอยู่ทรงอยู่มีอยู่เห็นอยู่ชัดอยู่ รูปขันก็มีอยู่ในปัจจุบันนามขันก็มีอยู่ในปัจจุบันนอกรูปขันนามขันก็ทรงอยู่ในปัจจุบันดินหน้าไฟงลมมีในปัจจุบันหรือไม่เมื่อไม่พิจารณาจะมีไหมหรือเพิ่งมีแต่ในพิจารณาในเวลาปัจจุบันรูปดินหน้าไฟลมจึงมีอยู่ในปัจจุบันมีก่อนในปัจจุบันเนี้ยมันมีอยู่ทุกการเนี้ย อากาลิโกคําว่าอากาลิโกก็มีอยู่ทั้งโลกียะเดโลกุตระในปัจจุบันนิจปัจจุบันนธรรมด้วยจะเห็นหรือไม่เห็นว่าเป็นปัญหาของกิ่งทั้งหลายมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นผมขนนี้ฟันนั่งเนื้อเอกระดูกแยกในกระดูก ม, าม้ามหัวใจตาฟังผืดตาปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งสมมุติเราเป็นธาตุดินมีในปัจจุบันไหมมี น, นหรือเราพิจารณาแล้วมันจึงมี มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันไม่ใช่เราบ่นเพ้อแดดลมเฉยๆดีเสเลน้องเลือดเงือมันคนน้าตาไปมันน้าลายน้ำมูกน้าไข้ข้อน้ําโมดที่สมมุติว่าเป็นถัดน้ํามีในปัจจุบันหรือไม่มีหรือเราไร่มันใส่ชื่อลือนามมันมันจึงมีมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นเราไม่ใส่ชื่อลือนามมันก็มีอยู่ในปัจจุบันเราใส่ชื่อลือนามก็มีอยู่ในปัจจุบัน ไฟที่ยังกายให้อบุ่นไฟที่ยังกายให้สุดรมไฟที่ยังกายให้กรวนกวายไฟที่ต่ออาหารให้ย่อยคือธาตุไฟที่มีลักษณะร้อนหรืออุ่นอุณหภูมิมีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นันก็มีอยู่ลมพัดขึ้นว่างบนลมพัดลงวางตามลมในท้องลมในท้ายลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหกมีในปัจจุบันหรือไม่มี ไม่ใช่เราไปไล่ชื่อมันมันจึงมีมาเราไม่ไล่ชื่อมันมันก็มีอยู่ตามปรมัศน์จะสมมุติว่าดินหรือไม่สมมุติก็ตามดินก็ลักษณะแข็งแข็งอันนั้นก็มีอยู่จะสมมุติว่าน้ําเป็นของเหลวหรือไม่สมมุติว่าน้ําเป็นของเหลวก็ตามลักษณะของน้ําก็มีอยู่เราภาวนาพุโทโธพุทโธนี่พฤติกรรมว่บาบา้บาบววไปดอกหรือ คุณของพุทธโธมีไหมในปัจจุบันปัจจุบันคุณก็มีอยู่ของภายนอกนุ่งห่มอยู่เดียวนี้ของไข่ของพุทธโธนั่งอยู่ในี่ของพุทธโธมาจากพุทธโธหมดมาจากธรรมรหมดมาจากสังโโปหมดอันเดียวกันถ้าเห็นพุทธโธชัดก็ここเห็นธรรมโอชัดก็ここเห็นสังโโปชัดชัดถ้าเห็นหน้าก็ここเห็นตาเห็นจมูกชัดเหมือนกัน พระหน้ากับตาครับจมูกก็อยู่อันเดียวกันอยู่เหงเดียวกันไม่ใช่คนละมุมโลกพุทโธธรรมโอสังโฆก็อยู่เหงเดียวกันไม่ใช่คนละมุมโลกบางท่านที่กลนาวว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ธรรมโอแปลทรงไใบซึ่งผู้รู้สังโฆ แ, แปลว่าปฏิบัติผู้รู้ถูกอยู่แต่เอาพูดผู้รู้ในพุทโธธรรมโอสังโฆมียิ่งยอนกว่ากันและมีคุณวุฒิต่างกัน สมมากุทธะสี่จำพวกสมมาสัมพุทธะผู้ลู้ในพระพุทธเจ้าเป็นชั้นที่หนึ่งประเจกขพุทธะลู้ในพระประเจกในขันธวิบากของพระประเจกเป็นผู้ลู้ที่ละเอียดชั้นที่สองสาวกาสาวกโกพุทธะลู้ในภูมิสาวกก็เป็นผู้ลูกชั้ทนที่สาม รู้ในสาวิกาพุทธก็เป็นผู้รู้ในในชั้นที่สี่เหตุนั้นจึงว่าพุทธสีจ่จำพวกจนเป็นสาวกจะตีพุทธของตนเทียมพระสมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ให้คะแนนเหมือนกันอธิบายย่อไปตีเสมอยกตนเทียมท่านไม่มีสูงวมามีต่ำสำหรับเรามายอมจะรู้สักเพียงไหนก็ สอวะโกะพุทธาด่นเองเพราะเราไม่ได้ปาฏนาพุทธภูมิบางท่านพูดมากง่ายพุทโธพุทโธไปเอาผู้ลูกพุทโธพุทโธไปเอาผู้ลูกใครพูดก็ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีต่ำไม่มีสูงไม่ให้เกียดไม่ให้คุณไม่จะเป็นพุทโธไม่รู้ตัว จะเป็นพุทโธเลยเถิดพุทโธตีตนเสมอเหมือนพุทโธสมมาส์ฐัมพุทธะมันก็ไม่ถูกพุทโธชั้นสาวกก็รู้ตามเป็นจริงของภูมของสาวกไม่ใช่จะเสมอเหมือนพระสมมาสัมพุทธไม่ใช่จะเสมอเหมือนพระเจกาพุทธพระสมมาสัมพุทธสร้างไว้ในมากกว่าสาวกะพุทธมากกว่าสาวสาวิกาพุทธะ กพกภาพประเจดกพุทธะก็สร้างวุญมีมากกว่าเมื่อสร้างวุญมีมากกว่าจะตีคุณค่าเสมอกัรย่อมเป็นไปไม่ได้พ่อก็เป็นพ่อเต็มภูมิมารดาก็เป็นมารดาเต็มภูมิไม่ใช่จะเสมอกันไม่ใช่จะเป็นสหายกันไปหมดจนเลยเถิดไม่ใช่จะมีคุณค่าเสมอกันไปหมดจนเลยเถิดมีคุณค่าต่างกัน าศาสนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยคําสอนใดๆในโลกจะเสมอเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยกฎใ ด, ด, ด, ด, ดในๆๆในกฎใดในกฎใดในโลกใดๆ จะเสมือนกฎธรรมของพระพุทธศาสานาเป็นไม่มีเลยจะลึกซึ้งเหมือนพระพุทธศาสานาเป็นไม่มีเลยจะกว้างขวางเหมือนพระพุทธศาสานาเป็นไม่มีเลยจะสูงยิ่งกว่าพระพุทธศาสานาเป็นไม่มีเลยไม่ต้องเอ่ยอวดดีก็ตามาศาสนาอื่นๆมีดาดเดนทมเทนเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสานาทางนั้นเข้มทิศ มีตั้งนันล้านก็เป็นเมืองขึ้นของทางทิศเหนือทั้งนั้นเขมทนทิศจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเขมทนทิศก็ต้องชี้ไปในทางทิศเหนือเพราะเป็นเมืองขึ้นดึงดูดอยู่ที่นั่นถ้าจะเทียบในทางต่ำก็หาที่ประมาณไม่ได้ถ้าจะเทียบในทางลึกซึ่งไม่ใช่ทางต่ำก็ลึกซึ่งหาประมาณไม่ได้ในพุทธศาสนาเท่ที่เทียบในทางสูงก็หาสูง ที่จะประมาณไม่ได้ถ้าจะเทียบในทางกว้างขวางก็กว้างขวางหาที่ประมาณไม่ได้ถ้าจะเทียบในทางละเอียดก็ละเอียดละออมากหาสิ่งที่จะมาเทียบไม่ได้เลิศใดๆในโลกจะเสมอพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยรัตตนะใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย ยังกินเฉรัตนังโลเกวิชิติวิธังภูตูรัตนังพุทธสมังลัตถิตัตมะโสตที่พวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นไม่มีเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีเด่นด้วยกว่าศาสนาใดๆทั้งปวงในใจโลกธาตุ ถึงจะมีผู้นับถือศาสตร์พุทธศาสนาเล็กน้อยก็าตามน้ำมันเพียงอุ้งมือคนนับถือศาสนาอื่นๆเหมือนดังหน้ามหาสมุทรทะเลก็าตามผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพียงอุ้งมือก็ตามสมมติว่าน้ำมันเพียงอุ้งมือเอาไปเทใส่หน้ามหาสมุทรทะเลน้ำมันก็ขึ้นเหนือปีนป่ายขึ้นหน้ามหาสมุทรทะเลไม่ยอมลงอยู่ใต้เพราะเหตุใด ถ้าเป็นของละเอียดละออเมล็วันจะนิยมนับถือมูดคูดมากกว่ามแมลงดพึ่งก็ตามก็สู้มแมลงดพึ่งไม่ได้ฉันในกดก็ดีพระพุทธศาสนาของฉันนั่นน้าม้วยน้องคลองมึงบางต่าง จะเข้าใจว่าตนไหลลงสู่ทะเลหรือไม่เข้าใจก็าตามน้าพ่ยหน่องคลองเมืองบางก็ไหลส่งลงสู่ทะเลมหาสมุทรฉันนั้นฉั้ในใดก็ดีศาสนาอื่นๆจะสงสัยว่าตนเป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็าตามก็เป็นเมืองขึ้นและก็ไหลลงสู่คุนของพุทธศาสนาหรือคําสอนของพุทธศาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ต้องอ ด, ดี บุคคลผู้อวดดีว่าศาสนาของตนดีเด่นกว่าพุทธศาสนาก็ここเท่ากับว่าคนตาบอดอวดชนเข็มคนขาตาดีเขาดูแพล็ดเดียวแล้วเขาก็ลู้คนตาดีคือยังไงคือคนมีปัญญาคนตาบอดคือตาบอดปัญญาตาบอดสติด้วยตาบอดความเห็นด้วยบุคคลผู้มีปัญญา ย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมปฏิบัติในสิ่งที่ควรปฏิบัติย่อมไม่ ป, ปฏิบัติในสิ่งที่ควรไม่ไมปฏิบัติมุคคนไม่ผู้ไม่มีปัญญาย่อมบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาเช่นบูชาผีเป็นต้นมูชาต้นไม้ภูเขาเป็นต้นมุคคนผู้ไร้ปัญญาไร้สติปัญญา ยอมเลื่อมใสนับถือสิ่งที่ไม่ควรนับถือเช่นศาสนาอื่นๆนอกจากพุทธเป็นต้นเพราะเหตุใดเพราะพระสมานสมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายเบื่อหน่ายคลายมาวางไปแล้วเหลือทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังไม่ได้เอาไปพระนิพพานด้วยทอดวางสกุลไว้ถ้านไม่เอาใจว่าของท่านทําไมย ก, กุธหรอนเราบ่านําลายทิ้งมีมดวาจรอเราก็บอกว่านาลายคนนั้นคนนี้ถ้าเรารู้จักคน วนมานี่อุจจระของคนนั้นคนนี้ถ่ายออกมานี่มีมแมลงวันมาจอมาตอมอยู่แต่คนนั้นไม่ได้อะไรในอุจจระปัสสาวะเท่าไหรก็ดีเพระอรหัน์ทั้งหลายผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสานิพานแล้วไม่ในอะไรในโลกทั้งปวงท่านไม่มาเป็นผู้แย่งก็พวกเราก็เรียกว่าของท่านทั้งหมดนั ทรัพย์ใในโลกอย่าเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาทรัพย์เป็นไม่มีเลยทางอามิตรก็เอาทางพรมาจารยก็เอาทางพรมาจารยราคาเท่าใดเราจึงจะไปซื้อจึงไปจึงไปซื้อจิตซือ้อใจพระสวสดาบาลได้ราคากี่ล้านจีเต็มเป็นฟ้าแผ่นดินเราจึงไปซื้อเราจะไปซื้อธรรมะของพระสกทาคามีอน า, าคามีอนันต์ได้ก็ไม่มีก็ก็ไม่มีประมาณอีกเหมือนกันนั่น เหตุฉะนั้นจึงว่าทัพใดใดในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาทับซับเป็นไม่มีเลยผู้มีปัญญาน้อยพิจารณาเห็นน้อยผู้มีปัญญามากพิจารณาเห็นมากไม่ผูกขาดภาษารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากแต่ว่าก็ไม่ผูกขาดภาษารีบุตรก็ไม่ได้จอง เราลู่ยิ่งกว่าภาษาวกทั้งหลายแล้วสาวกทั้งหลายอย่าไปลู้ยิ่งตามเรานะเป็นที่สองที่สามเรานะไม่ได้ภาษาธิบุตก็ไม่ได้ผูกขาดพากมีฤทธิ์มีเดชก็เหมือนกันพระไตรปิฎกก็ไม่เป็นกองปราบอีกเหมือนกันผู้ปฏิบัติสามารถจะลู่ยิ่งได้พระไตรปิฎกก็บัญญัติมาแต่เฉพาะที่เหลือจาก หลังชาอ่านเหลือจากที่สเัเภาแตกเหลือจากสาเภาแตกมากขคนได้บอกว่าสมควรแลว้วอันนี้ก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วเจอลสูตรและสูต ร, ตรที่พระพรมาสราสด า, า, าเทศออกมันครบแปดหืสีพระธรรมขันธ์แล้ว ระวังตาหจูจมูกเล่นกายใจมาให้ยินดีเย็นรายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรถถูกต้องผลทพะด้วยกายด้วยธรรมารมด้วยใจอันนี้มันก็เป็นศีละขันอยู่ในตัวเป็นสมาธิขันอยู่ในตัวเป็นปัญญาขันอยู่ในตัวแล้วนั่นเป็นมีมุติขันอยู่ในตัวด้วยเป็นมีมุติยานทัศนขันอยู่ในตัวด้วยนั่นถ้ามจากาักรวตรดิ์สนกล่าวถึงชาติชาลาพญาธิมณนะความแก่ความเก็บความตายกล่ว า, าวาถึงกิเลส มันก็จัดการปฏิบัติมัคอชังฮิโกมัคโคสมาธิทิทังโปวาจวาจากรร ม, มันโตอาชิโววายามูสติสมาธิมันก็เป็นศีละขันสมาธิขันปัญญาขันมิมุติขันมิมุติยาณนัสสนาขันเป็นสารละห้าอยู่ในตัวแล้วทําแต่ละวัฏละบาทครบ พ, พระใจปิดกหมดอธิตะปรียายาสูตรก็เหมือนกัน เป็นสูตรที่คบพระใจปิดกอ น, นัตตละคณะสูตรคือสูตรที่ไม่ใช่ตัวตนกกคบพระใจปีดกมงคลสูตรในเจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็คบพระใจปีดกบทนาโมตัวเดียวมีคุณค่าต่ตางกัน นโมพระสวสดาบันเป็นนโมที่ไม่หลงทางเพราะนอมนอบไม่หลงทางนโมสักขาคามีเป็นนโมที่ละเอียดกว่าไปกว่าพระโสดาบัณฑ์นอบนอมละเอียดกว่ากันนโมพระอนาคามีเป็นนโมที่นอบนอบม่มีราคะปาฏิจากโทสะไปพร้อมนโมของพระรหัสนอบนอมจนไม่มีกิเลสนี่นโมของปุถุชนคนหนาเป็นนโมเลขกนโมผาเออ เสนานางคาชมีก็เหมือนกันนโมโตาบอดนโมโหูหนวกพระเสด็จดาวันเป็นนโมโตาดีเห็นวันทางเพื่อข้ามพ้นทุกข์ในวัตจาสงสารแล้วพระเจ้าทตาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพระนาคามีก็ดับเพลิงกิเลสแล้วเป็นนามโมนอบนอบจนได้มีกิเลสดาคะโทสะแล้ว นโมของพระลรหันนโมคำเดียวกันมันยังมีแยบขายและนัำหนักกว่ากันถึงใจสระคมจบแล้วใตสรณาคมตจสรณนาคมสรณ า, าค ม, าา ค, มคมจนไม่มีกิเลอของพระลรหันบางท่านสำคัญตนมาเป็นพระโสดาบัน แต่ว่าเล่นเลกเล่นผาเล่นหวยอยู่ใครไปพูดก็ไม่เชื่อสำคัญตนเป็นพระโสดาวันโสดันโสดาโสดันดาเขาเออโสดาวโ ส, วสวขาดคณีโสด้ดนไม่ให้คนน เ, เราพูดเรื่องเหล่านี้มาปีติเกิดขึ้นอยากจะให้ได้ยินถึถงผมมาโลก บางบา ง, บ า, งบางท่านสำคัญตนว่าเป็นพระสสดาบันแต่ ว, ว่าเรี่ยงหมูขายอยู่เรี่งเป็ดเรื่องไก่ไว้กินไข่เรียองโคเรี่งกระบือไว้ใช้งานเออขายลูกปืนขายแห่ขายอวนเออสำคัญตนเพื่อเป็นพระสวสดาบันก็โสด็จเสดาเหมือนกันละ่ะจําพวกนี้ไม่ใช่ไม่ถูกภูมงคำว่าสวสดาบ ไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวข่าพอเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษการค้าค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอุบาสิกาอุบาสกมาให้ประกอบสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาหประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มรรคผลนิพพานด้วยมีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าไม่ถือมงคลถื่อข่าวคือไม่ถือว่า อบายมกขทั้งปวงจะทําให้เจริญเป็นมนุษย์วิบัติเห็นชัดอย่างนั้นไม่เชียดาอยากทําเลยไม่แสวงหาเขตบุญ น, นอกพุทธศาสนาบางทีก็ไปบวงสรวงพีบ้างบางทีก็ไปเลื่อมใสายพระพุทธศาสนาบ้างอันนั้นไม่ใช่พระสสดาบันเป็นวิจิตช้ชาลังเลในพุทธศาสนาอยู่เมื่อลังเลในพุทธศาสนาก็ลังเลในปฏิปทาของตน ก็หลังเลในความเห็นของตนด้วยก็หลังเลในความประพฤติของตนด้วยนั่นก็ลูกคําด้วยนี่ก็ถือตนถือตั ว, ตวได้อตวาตุปาทานสิ่งนี้ไม่ใช่ทางนะก็ไม่เชื่อยังมาเป็นทางอยู่เรียกว่าถือตนถือตัวเช่นถือว่าขันห้าเป็นตนตนหนึ่งขันห้าอันนั่น ผู้ที่ถือว่าขั้นห้าไม่ใช่ตนตนไม่ใช่ขั้นห้านี่ยโดยขาดสิ้นเชิงทุกอิริยาบถของขนาดจิตก็คือพระลหลันส่วพระสสดาบันสัคธาคามีอนาคามีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างบางขณะผู้ที่รู้ชัดเป็นจริงอยู่เนืองนิดขาดไปแล้วกาโุ ป, ปาทานขาดไปแล้วทิทุ ป, ปาทานขาดไปแล้วศีระพัตุ ป, ปาทานขาดไปแล้ว อัตาวาทุปท า, านขาดไปโดยเส้นเชิงก็คือพลองหันอย่างพวกเดียวเหลือสองนั่นเห็นบ้างมาเห็นบ้างบางทีก็ลืมสติบ้างไม่น้อยก็ต้องมากถ้าไม่พูดก็ไม่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพอมาหากันถ้าพูดไปมากก็คาดคาดเขาว่ า, า, า, า, า, ากโกหกพกลมถ้าโกหกพกลมเรามีสติปัญญาก็าอย่าเชื่อ พูดไปว่าเขาเมาลำลายเมาลำลายดีกว่าเมาเล่าดีกว่าเมาสุราดีกว่าเมาเรียกมาผาเมาบัตรเมาปือพูดถึงฮาุบายด่าพร้อมนะถูกไหมพูดถึงเขาหาอุบายด่าพร้อมอยู่ในตัวไม่รู้ว่าด่าใครด่ากี่เด็ดของตนเองนี่ละ ตนมีกิลเลสจึงพูดขึ้นกิลเลสพาฟุ้งก็ต้องฟุ้งไปเดี๋ยวธรรมะจะบอกห้ามล่อดอกเอ้าฮะ น, นี่เช้าละฮะ น, นี่เมื่อยงยูมายูเห็นมาล่งมาแสงมาเมียวเมีเยม่ยขึ้นเรามาชารานอันไหนกระดีมนดอน่ะพากันพักหน้าเขา ไอ้สวยๆกรรมฐานนี่ยังก็ดีมดนันเลอเอาให้มันดีอย่าไปหลงนังผู้เบามันไปหลงหนังเขาบะเห็นผู้อะไรสวยๆเดีวว่าขึ้นยากได้เป็นผัวปะไม่ได้ะขี่เต็มทอง ม, มันเห็นบะเห็นผู้บบาเขามันมากหกผู้เบาขี่เต็มทองวะสันเมียเนอะย่าไปให้คะแนนเขาโลดได้ท่วงโลดคือพี่ปอบนี่แหละ คนเหนามันเขาว่าปอปอบปอป่าใจีิมันว่าเขาเราเขส่ราดพลานพอประสูอกเมก่อนเเห็นผู้ว่าผู้โกโก้มากเลเออลัดลัดอึกวาวมาก่ลยดังลงโดมาก่ะพูดพ่ายเลาะสนอโสดิตยากได้บาเป็นผัวอีกผัว่าต็ท่อว่าสันอกเนี่ข้าไ่ยอมขีเต็มท่อให้กันล้วว่าสันอกเอางนไปน่มันจะกี่ท่านมันได้กเลียนี่ คือขีเต็มท่องข้าวเจ้าขีเต็มท่องว่าท่นเนะม้ขาวนมนมผ้านมนมเลยล่ะไ่ได้ไปเห็นการปานไฟไปละมันดูดเช่กันผ้าขีเต็มท่องเล่าขีเต็มท่องว่าท่นเนม่อกี้เนี่ย้าวานาย่งผ้าวานาจะขีเต็มท่องก็ใช้การอะอยู่ขี่เต็มท่องขี่เต็มท่องขีเต็มท่องขีเต็มท่องวันีกรรมยูมีต่วเกคือต้องดูแต่กำไรกันะปลายข้างหนึ่งอยู่ข้ออยู่ข้อหอยนี่ ข้ากลืนน้มเสลดลงไปข้าวเกลืนน้ําล่ลงไปไปแวกน้ำเสลดอยู่นี่จมปั๊บล่งน้ำเส็ธกัดไว้จมปั๊บล่องน้รเสลธกัดไว้ข้ามน้ำเสลเมื่ว่าอัดไว้เนี่ยมูวเข้าว่ากันมาแล้วมนหม่นปันยังน้มเส็จอัดไว้ถึงปันนันปาาเข้าเนี่ยร่างนีปันไดเนี่ยแล้วเามาสีแขวมาดมมันก็ยังหมนพระพุทธเจ้าว่าปฏิกูลมันจะพิษยัง มันหลวงปู่มันเพ้งเพ่งไม่ใช่ว่าให้ปรลัดเพ้งตะกีเปนเนียนอยู่ขวาน่าเป็มมาไม่ใช่าเป็นปัญายเล้วานอย่างมาเป็นปัญายก็ไม่ยาก้อ้จกบุกขี่มาดมมงโลกอ่ะสันหลวงปู่มันวะจกบุกขี่ไหมาจดชุดยังเมื่อกีมาดมมึงมาขนมยังมาเห็นกระเลี้ยอีกว่าสัน ผ <laughs> ู้มหมอเน่โอ้โหทั้งพิษทั้งคิงไปเด้ <laughs> โอ้โ ท, ทั้ ง, ง, งพิษท้งขิงอย่างเี้วัดไวัเสื่อมเนาะผู้เฒ่าบ่ามเก็บมาหลายอยางกินตนากาย่างเงียเอาทั้งพิษทั้งแิงเนี่ผู้เฒ่าแพ้งเพยงเลยนะเนี่ยถึงกับาากิ้ลเลร่เล่าเันือนกันเราบางคนกิเลรยาวสูบยาเพิ่งกับก้าวตัวเป็นยาเสพติด ในโลกนี้เป็นยาเสพติดหมดเลยยืนเดินนั่งนั่งรบตื่นเป็นยาเสพติดหมดถอนอุปทานมาขนดนึกคิดกเป็นญาเสพติดมันถอนอุปทานมาขนาดนั้เพราะเขาใจเขาคิดเป็นตนตนเป็นเขาคิดแน่เห็นปฏิสัมพันธ์กับปิสัจฉันปิสัมพันธ์กับปิสัมพันธ์หดยืนเดินนั่งนั่งรับตื่นเป็นยาเสพติดของสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นเย็นห้อนอ่อนแขง กินยูผู้ไว่เป็นอย่างเสียบจิตของซัสทั้งหลายทั้งนั้นเพราะซัสทั้งหลายติดยูเนี่ยเพราะมีอุปทานอยู่เพราะถือมันในกามอยู่ถือมันในทิฏฐิแลว้วพุมเห็นอยู่ลูกข่แในทิฏฐิแลว้วพมเหเจะของอยู่อุปทานอุปทานเป็นกิเลสอันละเอียดนี่เข้าไม่จี้เหตเฮหตสวมอีกนี่ ก็เรื่องในเฮทของเขาเนี่ยเขาใช้มาจี้เฮ็ดนีเนี่ยเฮททองถไายเนี่ย้าว่าเออท่านะของหลวงปู่มันพอดีแล้วาตอนกลางคืนเขาไปถ่ายในที่นั่นกองวันเขาไปถ่ายในที่นี่หลวงปู่ไม่ต้องการทําอีกดอกท่านะของหลวงปู่ไม่ใช่หลวงปู่แหวนเออไม่ใช่หลวงปู่มั่นเอ่าไม่ใช่หลวงปู่มหาบัวไม่ใช่หลวงปู่ขาวไม่ใช่หลวงปู่เทศหลวงเวลา ถ่ายหลวงปู่ขนาดนี้มันเหลือเฟือแล้วเกินทนะของหลวงปูป่ไปแล้วไม่ต้องทอําองหรอกเขาก็มาเถียงว่าไปเที่ยวหาทําส่วมไปเที่ยวหาทําห้องน้ําหมดเงินตั้งหมื่นบาทแล้วค่ารถนไม่เหมาะใจก็เลยผ่านไปผ่านไปเพิ่งมาเห็นที่นี่อยากจะทําถึงจะมีแล้วพ็ขอทํา ก็เพิ่งมาเห็นหลวงพ่อข่าวเดียวท่านี้แล้วเห็นหลวงปู่ข่าวเดียวท่านี้และวเราจะขอทำด้วยจะทําจะทําที่นี่ถ้าทําที่อื่นเก่งว่าหลวงพ่อจะไม่ถ่ายให้เออทําที่นี่แล้ยิ่งจะไม่ถ่ายเพราะพ่อเห็นได้พ่อเห็นว่าเวลาหลวงปู่ปวดในเวลากลางวันหลวงปู่จะไปถ่ายพายลมตัดๆๆๆอย่างนี้หลวงปู่ก็ไม่เป็นบ้าแล้วไม่ถ่ายแล้วอ่ะไรอ่า จะได้ยินเสียงถ่ายปัสวะจ๊กจ๊อ จ, บจบอยู่แล้วหูก็ไม่ถ่ายแล้วหูก็ต้องไปถ่ายหลังนั่นละ <c oughs> จำเป็นก็เลยเอาไปที่นั่นก็เลยตกลงกันผมเป็นผู้มีหมุลทรัพย์น้อยเงินเดือนก็เพียงละสี่พันบาทเท่านั้นเป็นชายหนุ่มยังไม่มีภรรยาส่วนที่บริจาคทานก็ปีละพันบาทนั่นได้บริจาคอยู่ แต่ว่าสองปีสามปีจึงจะได้จ่ายออกเป็นสองหมื่นสามมเพราะเงินน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รวยถ้าหากว่าผู้รวยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยของเขานี่อันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตของผมสําหรับทนานะของผมมันก็พูดไม่มีที่แทางด้วยนี่คือบักเตยล่ะเตยมึงเฮ็ดเงื่อนหมันหลายปันไหนมาเช่นเงื่อนม่นะ โอ้ยผู้ทุกผู้จนจ่างตัวกว่ามดหลายแล้วผุณหล่ะขาหาสองแสนผุ้หล่ะว่าท่นผู้พนทางเพื่นนี่เพื่นก็พอปานสามชะตางเพื่นแล้ว่าท่านว่ามันเ็นยังไงเราไม่นว็าอะนี้มันก็เอาเบียปักเตอรอะไรกระไดหม้อเนี่ยาเจิบมันนี่ย่ก่ เพิ่งปัญญาเพิ่งต่อพี่ปัญญาเมื่อกี้แบบบักเตยรือบักนี่ก็ไดไปหามาหลายแห่งแล้ว อ, อก็เห็นอยู่ท่านอาจารย์เพียรก็นึกสงสัยอยถ้าหาที่นี่ไปได้ก็นึกเห็นแต่ท่านอาจารย์เพียรเท่านั้นจะคืนไปทํำนี่ตกลงทํานี่แล้ว แต่ว่าท่านก็บริบูรณ์อยู่แล้วตั้งใจให้มันดีผมกแม่ค้าเนีน้อยนีย่ไปให้มันวิตออนี่ให้มันไกลไปให้มันหลอดอมสมติตเพงานให้มันหลอดจากข้ารวา ซึก้ออกไปก็เป็นทุกข์ไงหรอกไปให้มันรอดว่พ่อรออีกปีแต่ตายหรอกแต่ลวงม่านนี้ก็พังแห้งแลหละน่ะน่านิก า, กาสมมุติว่าไดเวลาใดเท่านั้นเท่านี้เวลาถ้าไม่แถมมันลวงไปเห็นไห่เห็นยางพึงผายมันว่า ม, ม, มันได้มันล่วงอะเห็นยางพึงพผายเลย มันต้ให้เห็นอย่างผึงผายเกิดก็เกิดมาอย่างผึงผายแก่ก็แก่ยามาอย่างผึงผายเก็บก็เก็บอย่างผึงผายตายก็ตายอย่างผึงผายทีนี้ทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายผลลัพธ์ของความเกิดก็คือทุกผลลัพธ์ของความแก่ก็คือทุกผลลัพธ์ของความเก็บก็คือทุกผลลัพธ์ของความตายก็คือทุกถึงจะเป็นธรรมดาก็ตามก็เป็นธรรมดาทุก อยู่ดีๆนี่เองเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ามาแต่ไม่เป็นปัญหาเนี่ยนั่นเป็นอาจารย์เขี้ยนมาแต่วันเกิดแล้วอาจารย์เขี้ยนคืออาจารย์อะไรคืออาจารย์เกิดอาจารย์เก่อาจารย์เจ็บอาจารย์ตายอาจารย์เขี้ยนอาจารย์ทรมานเขี้ยนเล็กเขียนน้อยมาเห๋ือเรานั่งบ้างเหลือเราเดินบ้างดื่มบ้างหิวบ้างละหายบ้างผลของยืนของเดินของนั่ ง, ขอ ง, งของนอนของ หิวของละหายถูกความเย็นก็คือผลทุกข์เราดีๆนี่เองสีตังทุกขังถือความร้อนก็ถูกความเย็ น, ก, ก, น, ก, ก, น, ก, ยนก็เป็นทุกข์อุณหะทุกขงังถูกความร้อนก็เป็นทุกข์ชิกัดชา้าพีภาษาทุกขาหิวข้าวละหายน้ำก็เป็นทุกข์ปัจเจอุจโโลปัจเจวโหวติทุกโขไปอุจฉระปัจเจวก็เป็นทุกข์เพราะรถของไปอุจฉระมันต้องปวดเสียก่อนปวดทวารเบาเสียก่อน รสชาติของไปอุจจระมันก็ปวดทวารหนักเสียก่อนใช้คําคว่าปวดออกหน้าใช้คําคว่าปวดออกหน้าผลของความปวดก็คือทุกข์นั่นทุกข์ประจําสังขารต้องมองให้เห็นละเอียดหมดพระบรมศาสดาก็มองให้เห็นละเอียดหมดถ้าอย่างนั้นก็มัมีประตูเบื่อหน่ายชาติพบเลยถือว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาไปเสียก็เป็นเหตุมาให้ชวนคิดเมื่อเป็นเหตุมาให้ชวนคิดก็เป็นเหตุมาให้ชวนเช็ดหลับในวาตาสงสารนั่น บัวล้านยำยาพ่นมามันบมขวนมันบมส่วนคิดไรเป็นนกเรื่องเหยาะค่อยเสียกลึ่งผาเพือพ่อนเรามันบ่งหงมือขิ้งมันบมมันโมพี่แก่น้ามันเด้ลึงไปซะเป็นพระหุ่นละกํากรรมชิดซะหรือเลยบ่ข่วนอยากให้เบื่อนายในวัตรสสงสารกรุงเทพ ฟ, ฟังไม่ออกหรอกนะ ต้องออกหร <_'ฮ ะ> ือหรือภาษาหยาบโลนหลวงปู่สัมผัสปลาปะพระรุษวาจาพูดคําหยาบมันไม่ผิดดอกหรือมันไม่ผิดสัมมาวาจารดอกหรือสัมผัสปลาปะพูดเพื่อเจ้อมันไม่ผิดสัมมาวาจารดอกหรือมันไม่ผิดเพราะมันขึ้นอยู่กับเจตนา อันนี้อันนี้กระ อ, หอมหัวนะมุดตีหนาคือแมนว่ตีหนาคือจกหนาคือ อ, อันนี้กระลำหัววดัดนอขนทิถีมาละาลายอใ น, นลมหัวลงโค้งลงโคงแมนบะยานที่เพิ่งเพ่งโทษโตแมนว่า้นทิถีมาละลายหลวงพ่อลาเป็นข้ น, น ท, ทิีมาละลายห่อใ น, นลำหัวลงโคง้งยันที่เพิ่มีความแซงตั แม่บก่กถ้าพุทธศาสนาสันสุงสอนาเนี่ยถุกเทศควมเบอร์นายในวัฏจรของสารเท่านัะเมื่อไหร่ไม่นิ่งไมยไล่แฝงอื่นเห็นทุกข์ในปัจจุบันสัดอดีตนอนาคตประทองสงสัย เห็นครอบตายเนี่ยปัจจุบันชัดครอบตายในยอดีตหน้าคตก็ประสงสายก็อ บ, บตายในยแต่โลกกระแทกกับว่าต้องสงสยัยก็เห็นหลอบโลกนั่งอยู่บนล่างเนียวอับนล่างจิดเนี่ยพราโลกเต็ม ไ, ไปด้วยครอบลยาตายเห็นความแก่ขณะจคิดหนึ่งเห็นหลอบโลกพราโลกเต็มไปด้วยความแก่เห็นความโยบพัดพาขนาจคิดหนึ่งก็เห็นหลอบโลกนอกแต่พวกมโลกลงมาหุ้น เห็นเป็นพระจค้าสิทธิอิหรีเห็นตามแก้วเจ้าค้าชิ้นข้าวข้าวกล้วยมันก็ไปแนวหนึ่งแก้วเจ้าคาชิ้นข้าวข้กล้วยมันก็ไปแนวนึ่งนนเห็นในสมาธิในปัฏนาพองว่าลมให้ใจเขาอกอหรีมันกสัจอ้อเหนือควาสมันาจักูจักขูขรอบคอบปัญญาจักซื้จักซื้อือปัญญา ปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาสมมัตจัก ส, จกสุจักสุรอบครอบปัญญาจักสุจักสุคือปัญญาทิพจักขุจักขุทิพภุตเจจักขุจักขุพระพุทธเจ้าสมมัตจักขุจักขุรอบครอบปัญญาจักสุปักสุคือปัญญาสงเคราะห์กันเขาได้ปัญญาจักสุก็ดีทิพ ชมันตาจักสุจักสูรอบครอบก็ดีปัญญาจักสุจักสูรอบครอบก็ดีจักสูคือปัญญาก็ดีสงเคาะกันเขาได้ที่ไปจักสุจักสูท <Bruno poi> well, we ิพคือจักสุของเทวดาหรือท่านผู้ได้ตาทิพแต่ตรงกันข้ามผู้ที่เห็นความตายคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งก็ยกว่าจักสุทิพเหมือนกัน พอเป็นของทิพย์ที่เข้าใจแบบสดๆดที่เข้าใจตามเป็นจริงแบบสดสดไม่ในยงการไม่นยนเวลาเห็นอ น, นิจจังขณะคิดหนึ่งก็เห็นรอบโลกเพราะโลกเต็มไปด้วยอ น, นิจจังเมื่อเห็นอ น, นิจจังชัดทุกครั้งก็อยู่สัมพยุพอยู่ด้วยกันอนัตตาก็สัมพยุพอยู่ด้วยกันด้วย โลกทั้งหลายก็มาสัมพยุตอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นรอบโลกเมื่อเห็นรอบโลกก็เห็นรอบสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันเห็นรอบใต้โลกกธาตุก็มีความหมายอันเดียวกันที่นี้ก็สิ้นความสงสัยในโลกทั้งปวงก็มีความหมายอันเดียวกันว่าจะเป็นอื่นนอกจากเกิดแกด่เก็บตายและทุกข์และอนิจจัง สังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินเทวโลกได้แก่ชะกามาพระเจรักกชั้นพรมโลกได้แก่รูปภพสิบหกชั้นอรูปภพสี่ชั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดโลกทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่อนิจจังเพราะถ้าเกิดว่าเห็นโลกหมดในขณะรักนิ่วมือเดียวนะไม่ต้องสงสัยไปหา ออสิว่ายังมาใชเพื่อเบื้องหน้ารีการเรอลวดแทะว่าเพื่อเมื่อไหร่หรอเพ่อเพราะว่าเศร้าทอนี่เศ้าว่าเปลียนได้าว่าบอกเศร้าทอนี่ว่าว่าเศว่าผมเปลี่ยนได้เาอไปว่าสมองมันตัวสิรบ้งกไปปคันว่ามัเลาะเบืองมันเกิดประวัติาสตร์ไปเบืองวัดเบืองหันทางจบกลมน้าหลังนี้เพิ่นไปเดินกลมไหหืนอนกินเข่าอยู่ลืมก็ต้องไปเบิ้งว่ามันจะไปลกกุตติวิหารคน ไปวัดเท่าบอไปเบิงสายนะคบเบิงด้าทังกรมพาวนาเลยเฮาวัดที่เหตุแปดสั้นเกสั้นฮะกับวสะอ่อนเนี่ยขนมมีขวาวัดปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงพระิษ์ทิศทิเฮามันบราเนของของไงๆดิเหเหลี่ยมหยาบหยายอ่ก็ตามพระวันพระวนาบมมีเฮากับวัดสะอ่อนดิมันมีอย่างมั่วนี่ยเคยได้ยินหรืเคลียบวเคยได้ยินไหมนี่คาพูดอย่างนี้ไม่เคยนะอ่า ฮะวัดวัดในบ้านไหนกอนโอ้ไปเลบอไปก็มาเอยมเรยโอ้มวัดยมขาเดอดสมหมายกุ้แหบอสมหมายอยู่สะบัโอ้เข้าใจเข้าใจ กามาฮะน้องพออยู่เนี้เอเออออกกขี่เลยอผมเนาะเอาไม่มาสูงแลนามาสี่ได้อะบ่ําอะไงดักวัดนี่บ่า้เป็นบาเป็นกรรมให้ชั่งหอกมันจังประยุงใหอโหสิกรรมกันเอาโลดก็แล้วไปดอกใครที่ไม่ออกกรรมาเว้นกันยู่งนี่มาตั้งถำเนาะแล้วลึกได้เือลึกได้ก็ดี ขอปาฏิจากเว้นไพ่แ ก, ก่ไตโลกระถาดยึดทุกเมื่อบำมีประมาณเพื่อผลทุกข์ในวัฏจัสงสารขอขมาทโทษต่อไตโลกระถาดยึดทุกเมื่อบำมีประมาณและเลึกโยบมีก็ไม่ถึงขึง้นและลึกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอเป็นข้าเป็นทาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ข, งขี้รถเยี่ยวรถเหยียบย่ำโสนน้ำลายคายน้ำโมกใส่ในตะกละากายวายใ จ, ใจของพระพิฆเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อเอาผลทุกข์ในวัฏ ส, สัสรสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในจิตปัจจบันใธรรมปัจจุันในชาตินี่ื มันต้องทํำเป็นพิธีก็ได้หอกทํามวัดนะไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ะให้พักกนรพลทุกในาาาวาระสงสารนี่มาเอาบะเอากรรมกันอยู่นี่บอผู้โทษธรมโอสังโฆที่พา ก, กันไปหลอกเข้าไปเนาะอย่าพักหลงนะหเนาะอย่าแข็งอย่าขาเนาะเดี๋ยวขันมาเห็นน่านว่าว่าเห็นน่านมาก เขม่ลงสติละขั้งนียบอกไงหรอกเป็นโค้ชซกอยุพักเดียวกันในวัดยเลาะเหวกขมีเขาไปไน่พุ้นกขมีแล้วยุพักเริ่งีนสังหลังหนึ่งนี่มียุนี่หลังหนึงนี่มีสองหลัง่ะอยุนี่ถ้านั่นล่ะสือเขามีสองหลังเท่านี้ยุนี่นอกก็นั้นพักเดียวกันวัด่ะ พ่ัทั้งน้ทั้งทงูขึ้นไปอเทังทางท่งเลยทงน้มีทางน้ำบ่มีดอกมีตั้งแต่ถังแบบนี้แหละสูปขึ้นไปมีแต่แบบนี้แหละถังกระแท่งถังกระแทงซีเรียมถังส่มใหญ่น่มีแต่ท่อยูน่กับลงยุมยูนิคหนึ่งสองสามสี่ยนิคหนึ่งสองสามสี่ไม่หาังหาทางใหญ่เนี่ยนี่หอกกันกระถังกระแท ยังยังมันมีผู้ไปเห็นว่าไ้ผู้ก่าเห็ดวไอ้ผู้ก่าเห็ดว่ามันมดมันหนาผดพราะจะเป็นพี่บาสันมดเท่งวายี่สิบห้าปอกยี่สิบห้ากระสอบกระสัยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากระสอบปอกหนึ่งปอกหนึ่งทุ่นว่าไรเต็ดว่าไรมันหนาเกินฝ่ายีผู้นิยมแต่ว่าจะคข้องนี่นิยมยศเอาแบบไม้ที่นี่เป็นเดียวเออเออยมพี่บ เหตุไมเพิ his, his life, ่มยางเป็นเหี่ยมวะเหตุยางเป็นเหลียมซีเรียมวะีเรียมนี่ยมันบรรจุน้ำในร้ายคุณสำหรับร่งวงกลมเนี่ยมันมันมันเสียบนมุมนี้ได้พันหนึ่งร่องกลมก็ปาดไปด้วยให้มีทุดองไปด้วยเขาเห็ุมาก่อนโตัวโมกขิมาเล่มกลางวาออกินที่แตกเยงวางสิตัวโมกขิมาเล่มกลางนว้าออกินที่แตกเพียง แกทำอะไรไมาให้แพให้ขอท่านจังหวะอันวัดนี่ก็บด้แพ้เลยขอเชียร์กุมวะให้จะของอนเสี่บวเกิด่าังเห็ได้ว่าบริแพ่ไปขอใส่จะเถื่อได้วะอ่านประสมกันได้เพียงนี่หนึ่งเ่ไปแอกว่อกุมคาลดละถ้า ก, กับประสมกันซงวะอันสมมติว่าวันหนึ่งมีคนมาฟังเทศทลายอ่อ พานี่มีเท่าไรจะเป็นสินที่แตกข ย, ยังว่าใครเขามาวัดกติจดเอาเป็นพระลหันมดบอกว่าเขามาหาเลียกกมี่เขามาเรียนในซื้อก็มี่วัฒนัฒน์ั่บามีพระลหันเต็มโลกคุณบอกว่าใอยมาวดก็มาจดเอาเบิดวันจักเขามาดีมาห้วะงวงจักเขาวะมเป็นพ่บายจดพวกกไะไได้หนิจจดกระจดเอาวันแเราว่าไงเขียนเัดเขียนเนาัดเจ้าัาานน้าบัานซี่ย่างนั่นย่างนี่ไปาไปลงกบดสดผัดเอาเงินไสยามลงไปยงน้ำ เอาวาย่าวัดจกรอนเอายามเพ็ดวาย่าวัดจกรอนว่ะมันก็นลงก่อนเมื่อไรตีว่ะเมื่อออกกิจที่แตกเหีังว่าพัละสองพันบาทขอขอไปกิจที่แตกเหียงไฟเสงามาจะใสว่าเมื่นี้จะพัดนะเออใครกูจะรอดเนาะมขอใช่ไหมมัขอเฮาเฮาจะเ อ, ขอขาก้อนหินไท เ, เนี้อบเงินวัดสนอกนนเงินวัดสนอกพอดีหากินทั้งเอาเงินตางน้าเดเงินไสว่า น, อ, น, น, นอืม มาขอเ้าไมเนี่ยเนี่ยงั้นว่าเสนอเ่าสนุกว่าดิผัวโม่เนี่ยเป็นผูอาบุโซหน่อยพ้อห้าเดิสมพงสมเพงมันห้ากว่าได้อยู่นี่สิพกันสุ่มกันนี่ยังสิพักจดกันนี่ยังจดเอาวาสันเยจะมาผู้นี้ยากเลยวาสันจะข่าลวงมานนีมันให้าปเทศเัางกบไปด้ เรานี่มัพระผู้เป็นเจ้าไปเทศช่วยให้ข้า ร, ราชการมันดื้อมันดึงมากเอออาตมานี่เนี่ยถ้าเป็นทางฆร า, าวาดมันก็จบเกษียณแล้วไม่เป็นหน้าที่จะไปเที่ยวหาเสียงเหมือนพวกผู้แทนัถ้าว่าอาตมาไปก็ไปหาเสียงก็เท่าจนจะตายแล้วก็นึกว่าจะสังเกตดูลมหายใจกันถึงวันตาย ยังมาหาเสียงอยู่ดักหลืนผู้ที่จิตสูงใจสูงเขาก็จะเทศล้มลพ่ออย่างนั้นก็ผมได้รับนั่งคือหลบซ้อนึ่งนลอมพ่อนายมันก็มาทาย่ย <c oughs> มันก็มากลุมเทียงอันี้ละมันกลุ่มเทียงอนี้เขาลำานเขาก็เลยบอก <c oughs> พระเจ้าพระสงฆ์เพิ่กับว่าอยางไห้หอกเขาก็บ่อย่างห้กันลำ่ำฆานมาหลายเทื่ยหอยมูพันมูแล้วไก็ไปเแต่หูกกาตุนเขาก็ยังไปขายดอกเสร็เพราะว่า หูประเทศวัฒนมั่นไม่ใช่ตายยาหัวมันทอดวะสัตวสข่นรับ้านหายไปใช่ไหมันเลี้ยวกับใช้วัสัตว์หูกาตูนมนเนี่เขาจะเอาไปขายด้วยช่เก่งอยู่เขานอ่านมันเขคุ้มอยู่าดอาจุดเนาะมาหลายโมงสีคข่นรข้านเอาพระพุทธเจ้ามั่นเขาเอาไปขายจะสันบนผุนสั้นรูปผีรูปพระพุทธรูปชาไปแะเทศเขาก็นอดกอดกันยอะสั่นทึ่ง กะสารพัดเขาที่เหตุมันเหลือวิสัม่บอดผูพ่อบรมราชามันเนีพ้พหกกะมีเน็ย้ยเสขากะมี่สารพัดเขาที่เหตุแต่มันจะเป็นละยะห้องจะเป็นไอจินตเอสั่ไอ้ไรเไหนไ ป, ไปล้วมันก็มาควนกัน่มดมนลูมหาจมเจอนึงมันจะเอากูไปขายกินมันจะเอากูไปขายกิน อาจารย์ทิ้งท่องโอ้ยมันเป็นไอขินไตสิเพจเทไปคามได้เพราะฉะนั้นคนเสมอมันคือซุปเปอร์ลดนี่คมรับโบมีในโลกเพราะนั้นละทีโกเกรเและหัวหน้ามาอาจารย์ทิ้งท่องจมจมรับหลังหลวงปู่มหามันเป็นไอกินไสไฟเตวไปหุบไ่ได้นี่ยแต่หุบแต่อันวัตรพระเทวรัชแ ท, ท้ๆเขายังเอาไปขายกินั้ของมาสดีจว็แต่พวกกาตุนมุนเพราฉนันเขายังเอาไปขายกินเพาะัน เขาลบเขาเลียวข่าวฟันรันแทงเินยุงเ้ินเขายังมาลงหนังสือพิมพ์ขายกินมันเป็นของอากินใตวะสันไปที่ไปปบปิดควมรับไว้ในโลกงอันนี้ได้วาสันออกจากผู้หนึ่งก็ออกจากผู้หนึ่งอยู่ห่างลาววะันคนมหาคมาบอกเรื่องถมะกะโม่ไม่แน่ว่ารัศวีว่าอย่างไรถามสอขมาว่าวโกงเป็นแนวนึงว่าวตัวก็เป็นสัพเชนามุสาวาทีซะเหมือนอางีแตแน่ยุบคอบังคับข้าเนี่ เ่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาแค่นั้นตัวก็บว่าไม่เนี่วตัวคำว่ากงมันไปเป็นเน่ยนึงเอาแต่ที่เป็ น, น่ยนในเทวันระาวางังในวังเสียนาซื้อับเสี ย, สยตตงในวัฏสงศารนะอวสันประวัติของมนุษย์มัได้เอาไปพนนนันนีพานีอ่อนเนาะอวนมันมีจจะมันจ่ออยู่ในมนุษย์นี่แหลอวสันประวัติีประวัติซัวกัจ่ออยู่ในโลกนี่แหะไ่ได้เอาไปพันนีพานีอนดอกอันก็เลยมดปัญหาเราก็ได้ แต่ว่าเรื่องเรื่องเหรียญนี่บ่ได้เรื่องเหรียญ น, นี่ไฟเฮ็ด ต, ต้องถือพิษท่านีแลดวโหลดต้องน้าเยี่มเยิมย่มกันโหลดบ่ด้ไ้ลูกไปพี่เไปเก็บอกไว้เจ๊ บ, บ, หหอเ บ, บอกบ่ได้หรอกถ้าเจบอกสีน้าสบ ต, ตัวหั <c oughs> วโหลดบ่ได้เอาพิดเอาถือโหลดบ่ได้ลูกเหรียญ น, นี่บ่ได้เหรียญนี่บ่ได้ไ้เฮ็ดไฟที่เฮ็ดก็เอาพิดเอาถือโหลดเมื่อส่งอนุญาตเลยเข้าให้ให้ เอาลูกของหลวงพุทศเอาลูกของคูบ่าอาจารย์ไปไหว้กับพระเสยศาสตร์ไม่กาหลงกาเลี้งนี่อย่างสารพัดท่านไม่กาหลงอย่างไม่ลกไม่โกนไม่หลงขนาะว่ามันกาได้หลงกิเลสเท่านะไปหลงวะไม่กาหลงอย่างนั้นอย่างนี่วาเอาหลวงพุทศไ ป, ป, ป, ปไหว้กับเออเอาหลวงพุทศไปไหว้กับพระเสยศาสตร์เอาเพื่นไปไหว้ยังสั่นสมชานะบอกวะเข้าวะให้ มันไม่ใช่พวกผมพรอวะเพื่อนมันพวกคนอื่นเพราะพราะว่าเขาห่าง มันเก่าเปลีนนาา่นดอกที่าอมันเถอะนีอินพืน้นใดเนาะวะเขาบอกเขาบอกขวนมึงได้เลยนี่ว่ามัเป่นทิงันสิเออยกากหอมเมันเก่าเปลี่ น, นดอกก็ไม่นวนอันนี้คือก่ามันไเก่าเปลีนน่ยนดอกัอ บ, อบ้องรอีกไปไปชุบกระชุกน้ะ พุโทโธมโอแสงโคให้ผลทุกข์นะมาตาสงสารผลมูเหา่าด้วยเด็กคุณพระพุทธประทรมประสองมูห้อ้ผลทุกข์มาตาสงสารนะยังมาร้อทะเลปัญหาอีกมูเห่าขี้เกียบใน่ปัญหาเอาเา อ, เ อ, อ ไ, ไปเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์